มาจังจะเป็นอยู่จูนมาม่านั่มเนี่ยวกมาเด็กนั่งกรุงเทพมารักษาชินโยเห็นผมมานีเลยมานั่มมากดูวันเขาวัดฟาวรมครับวัดช่นีครับเขามีงานในบวชชีพามขอมีงานบวชชีพามเลยไปเลียนท่านกันดูพวกนหลือกเลยผมมาหนีเลยขี่รถมานั่กันเต็มรถเลยบวดชีพามตองนี้งานมีงานอย่างนี้ื งานเลยเอ้าว่าคนงั้นงานประจันตีบวชโอ้บวชประจันตีงานประจันตีสามวันเขาจะงานประจานตีเขาใมาบวชด้วยกันก็มาเรียนกานด้วยเอ่อจะเรียรมีคนสนใจไปสมบัติธรรตรงนี้นานแล้วขนาดโอร้อยกว่าโน้ีมีร้อยกว่าร้อยกว่ายังไม่ได้ดูยอดเลยว่าเท่าร่ยอด เขาเงนม์่ากุญจาตัวเนาะม์บทีสิบส่วนมณ์เร่งเดียว่เป้นเป็ชั่วมณ์น่งง่ยกุจาร่ว่าที่ิบหกท่ตอไปแล้วจะมาอะไรกันนี่เขาจัดบทชี้พังเลต่าห์อกว่าครสุ ของใช้ทุกวันนี่มันเรียนกันลาบราณตำลาบราณเนี่ยเขาเรยกลูกทำเต่าเลยดิใช่ใช่ใช่ทำเต่าแต่ก่านไม่มีโค้กไมมีกระองไม่มีกาลน้ำเลยไอ้ลูกลูกแก่มันฝยเป็นแห้งเอาเนื้อเป็นะติกน้าเป็นเเป็นกาลน้ำเ่ี่ไหนยอะหรือมมีอู่ตังตังกเล้เกิดอะไรขึ้นเขากานี่ละ อย่างน้อยกันหมดนล้วมีส่วนมาเท่ากันจะได้ทำในที่เทียบน้ำเท่านั้นก็อย่างนี้เลยลูกตรงเป็นก <c oughs> ารปกติเทศอบรมจัดบวช harmony ีพ ร, ระเขาอันนั้นอ่ะส่วนมากอมีเต้ผู้หญิงมากกว่านะผับหญิงมากกว่าด่ า, านี้ไม่เก่งกว่าใช่ใ <c oughs> จน้อยเชื่อบุต ห, หน่อยอันนั้นมันต้องสมก่อจำร้าพันบสมพับอกไว้เลยเทพดาหลายเทพบุดหน่อย <c oughs> มันไปจากไหนมันก็ไปจากอันนี้แหละพฤติกรรการด้แลความนใจ แต่ยังดีได้เพราะั้นว่าบ่เทวเทดาท่ามกลาทุโลกก็บรรนกคว า, ามการเาตตาดูสีท็จของสวรรค์ น, นจะถึงเมื่อวันพระธรรมดาวันพา น, น้อยเกินเจ็ดคัน แลงเจ็ดคำขืนทิฏฐิคำแลงทิฏฐิคำปั้นาหน่อยเท่าเจตุรโธกบาลเนี่ยให้บริบริบานออกตรวจดูบรรนิโรธยีความสนใจก็เสียนคำผุ่นก็สนมากน้อยไห มีความสนใจเห็นบุญเห็นคุณตรงนี้ก็คุ้นมากหน่อยครับใครที่บิวารกันหมดหมดเล่ปราน่าไงทีเนี่ยท่าจะโรคกระบาดบั่งเองตรวเองอเายายแต่ผ่าไงแต่คำคขคืนคางล้าจิด่านคำคำคืนทางล้วเนี่ยได้ความไห ล, ล่ะ พระชุมเจนดาวดึงแอลาจุธามาไปเล่ า, า, ลาเหตุการณ์ที่ก้มจีบของมนุษย์แล้วที่จะยุ่งของที่ว่าถ้าเล่าเหตุการณ์นั่นล่ะโอ้ยหนาจังมนุษย์สนใจเรื่องสิ่งเรื่องธัรมบุญก็ตัวนี้หน่อยสนใจเรื่อง ผมนี่ผมคนพ่อแม่ปุญญาตายง่ายเน่อปัหาเทวดาทั้งหลายอย่างนี้หนูเทั้เอพราคิดใจคนยกนี่ทำไมเป็นแบบนี้มันโต๊เน่จากสมบัติเพามเป็นมนุษย์ยมันเป็นอบายเออเป็นออชุนกายอะคิใจของมนอาุนกายแลวมันเป็นอบายพกนี้ เห็นว่ามนุษย์ยังสนใจอยู่ยูใดสมัยใดยังสนใจก้เศินย์ข้าท้ำก้บุญตรงศสนใจเทวดาเนี่เพรขอคุ้นสิลคุ้นท้ำคุ้นภูมีบุญภูมีบุญภูมนี่โยคะน่าใจใครสมเกียรตน่าจะมนุษย์ทั้งหลายต้องการควบคุ่กนหน้า ยังน่อยแต่ีความชุบนี่ก็เปลนม น, นุษย์แล้วก็านนีนีความชุในสวรรค์ยวีเทวดาพบีพวกีมัีเป็นบุญ ท, ท, ท, ทุกนหลายเเลยเแพบทท้หมดนีถ้าเทวดาเทพเทวดางทีง่้อุเ ด, ดินหะน้า เราพ้อมนาพ่อมตากันมากหายสิ้นในพอัเด้อ้น ย, นยืนถึงวัดุเนี่ยมบุญ น, นะว <c oughs> นน้เทบรได้เ <c oughs> พื่อคคนเราเด้อบมบุญเ่ะหลวงวับเลยเมื่อหายสิ้นในพเออจุดทีจากสวรรค์น่ะหครไปเกิดในเมื่อมนุษย์โลกมนุษย์เด้อการางบุญไม่เด้อ แามต่อยแามต่อยครับอามันมันลืมครับทุ่งเลยว่าลืมกานกับเฮ้าอิแล้วคนนั่งตายคนนี้ตายดงคุณก้ยกันหายทิ้งก่อเออตายแล้วเจ้าเริงไปช่วยตะวันเดินทุ่สตะวันเดินนะแต่ป็นเนี้ผลที่ไปตะรค์ของผู้นั้น่ะ ที่นี่มากนี่หน่อยนื่หนาวแต่ในตรงนี้ไอ้เจ้าเนี่ยบดตังหายผูห่งเส้นไหนพอดรอไม่รู้เหตุผลนึงที่ละก็แบบนี้เจเนี่ยวันพาวันเจียวหรือวันปกติธรรมดายายขาดเรื่องจากเส้นจากถรำเอาจริงพวกมันใจเราประเทศไเนี่ยอาศัยเส้นถ้เนี่ยเบ็ดท่านสบายดี อะพวกมันใจบอะไรเยอะมตันยังไีวนนี้ะทุ่บมีก่่บ้มัี่บาย้งเวะุนมมาน่นีลาใหญ่ ยืตะก็ดีว่ตมือมันมันมีความสบายเอาเต็มมากก่านี่หะมีเต็มันัเมื่อเรืกาคดตัตก้กาคตหาบนขอยคนแขนเลยตมือเลยวางเป็มบนเตะสะดอกเลยยิ่งไม่มีมากกามีก็มีเลยจะมีก็พมนแต่ยานะกัวเป็นตะมดตะก้อนตะก้อนเนี่ยมันจะยุ่งมันเลยเนี่ยตะมือเนี่ยุงยุ่งธรรมดา เด็กก่อนเนยงมเ่ยไข่ต้านตาแล้วก็แตลไข่มาเรื่องเข้าใไมลังยอยจัดส่วนอยู่วงวัวมุ้นที่ทุ่กาผมเลยขักคนหน้าเองเอาถ้าแตเไข่เือ ก็น่าามุ่งเลยมันการมุ่งมาพิจารณาทีหลังโอ้ยมันตายนี่แหละการมุ่งก็ได้รับคาเตือนจากมูหที่คก็บอกอาจาวันนี้อีกมุ่งกลางเลยพ่อไอเสียงเทียนมันเป็นไรไหนแต่ธรรมดาเล้วยกาเขาไปพิจมุ่งนะทิสาพิงมุ่งกัดทีศาได เลยมือแขนเขาไปพพ่งมุงไปเท่าแล้วไปเพ่งมุงเลย่จะกัดได้นกัดได้ไม่ได้กัด น, นะ น, น, นนั่นแหละตรงนี้มันมันมันบกพร่อง น, นี้แต่ที่นี่อะไข่พร้อมกันนี่ลองเล่นเล่ น, เ ล, นเล่นจบลูกทิดอาจารย์ทุพันธนี่นักขนาดนนอนทึ่ก็ฝืนก็ไปแหละเออแล้วนักขนาดเนี่ยแน่นก็ได้ อารมางวดีมือใช้กาวตายแล้วนี่ผมมันมันพรอนออกพรอนแบบเีนเยวโบราณขนาผลเลยง่าซากในกินแก่ไขโบราณแบบพรอนแแก่แก่คมหวอนแต่ว่านยูผู้ยะก่อเนี่รักษามันเรียยังเดี่ยวอะไรแต่ไค่มักไหมไปนั่มเลยมันไมมมันพรอนอยู่ข้างในเลือดออกตกอยู่ในรั้มใส่อยู่นะ นี<ล>น่หน่อ ย, ยอนีย่หน่อยไตวันนี้อยู่ผู้จัดการผมอยู่เจ้าขออยู่ไข่ทุกปีจะต้องรักษาีิต้องมาเรลเลียรแครับไข่รักษาไข่ฟอยด์ไวนะอันนี้ก็เดียวก็ไม่ได้มันก็จะเป็นมันก็เป็นพรอมกันทุกคนทุกองค์ก็จะเป็นบางบางคนบางองค์จะในไข่รักษาไข่อย เออมันมันจะมาครอบมันทั้งสองในยุโอปผู้ปกคองจะเป็นสองสองอย่างาแต่รักษาเดนมาเรียเขาอะไรมันเป็นรักษาเอปไฟนั่เน้นเน้นตายคนหนึ่งทำไมผมไปยุต่ก่อนผมีิเไปยุกับลงปูหลางะอ้ใครกันล่งนีมาเพราะในจกสลักขึ้นไปยุน้ำฝ น, นยางไขมาลเรียทำไมผมไปยุอสทั้งอายาย ยายาบุลานนะ้ำาบุลานฝนแลการยาฉีดอะเล่นอีดครเซนไมโครคอลินฉีดพกรักษาเต้บ่อยกับเวียล้มปูแล้วนะ้ปูว่าเเารักษากันได้ยกน้องมไม่ได้ไปฉีดหาเงินหาทองอนะไรบ้างเลยผมไปฉีดก็ถือกัได้ลหละแต่ว่ากรอีเอาววาฉีดเน่นเป็นตายแล้วรักษานเน่น มันมีแต่คอรลมมีไมโครคาร์บอนโอเดือดระเิดตอย่างแต่ก่อนไครไข่มาเลี่ยนมีนหาวทีองหาวคุณบาอาจารย์ต้องเชี่ยงเป็นเชียยงตายไว้รอดรบรอตายมากไข่มาเลี่ยที่ป่านี่จะเป็น่ยนนะแต่ก่อนทะ่ในป่าไข่มาเลี่ยนอย่างเราไม่มี นี่แตยาคนนี่ยาคนยาไปกิกนน้าง่าง่สั่มันเย็นหมดกินก็ไปเย็นหมดถูกหายหายดเดียวคือก้าวจักาผมเน่ยมันเย็นนะจำเดลยวเมื่อคไปแก๊ตัวมันปปจะหายเด้เอ่าอ่า่าสั่งเพราะด้วยนันสมัยก่อนอะ่ะมันเมื่อมันฉีดเยอยืนหน้า<อ>มีง่าสั่งไปแจ๊ผนนะผาัน่ะ<อ>มันมันดไปนั่ง ฝนมันจะฝนหมดฝนเนี่ยเดวฝนก็กำงหายเพราะนั้นเพราะมียุคที่ยาฉีดแจังหร อ, อไปถามอา่าหลวงพ่อจย์จวนเกิดมีแต่ยาตราชโนเลตเจ็บปวดทา่านนะเจ็บปวดดิเจเจ็บปวดทา่านนะอากาศ น, นอนในนี้มันเลาฟื่ยดม่ได้เพื่ยดไม่ได้เ <c oughs> พราะผมง่าสามเพราะยาโบราณเน่ยแจนอนหน่ไข่นอนหน เป็นถุไ่หน้าตาผสมแล้วก็มีเอ๊หน้นาตาแล้วก็มีแล้วเราแะผักแต่ก่อนมันม น, ม น, มนี่เสร็จหน้าตาทำมาฝนฝนจะฟุ่มเฟืกกันดีดีหายเป็นปกติรูรูซิก<ม>ลยครับสังกันไปเอาเกิดโจ๊เดียดพกกรเทียแล้วแบบยางมากมันไม่มีรถไม่เลือดเอต่กก่อนไห อ, ออกจากหังวง่วนมาดงหมอทองมาก ออกมาเลยถึงยางเยเพรานยางมากเลยตะกอนแถวหเขาว่าเสือลายอยู่ทั้เสือทั้งทั้งสรางทั้งยางเลือเด็ดตมไปอันน้อ่ะไปทั้งการเนี่ยกินเนี่ยคนหนึินเนียเขาไปขากินกนนันนัน่ะไปนนโอ้กต็มไเขาปลาเขาด ก็ต้องเข้าใจเาใจาน่นาังเี้าขาไข่ไปเนี่ยคว่มร่อนไน่ร่อนตัวเนี่ยเมือนก็ะน้อนอยู่กองไฟน่าเชิงขนาด น, นั้นออก่อนออก่อนออกขอนมนี้โมบี้ยาโบรานฝนที่เด็กอยเลยนีน้ เพราะถ้ามั่วมันเรียกกบกรนมิ้งเหอเนี่มันมดปลามดดงเราปลาดงไม่ใช่มดดงผู้จักรกันไงใครทุกปีเราเอาพวกเขาเแล้วเขาเป็นเงินไม่เงไม่เรียบเป็นป า, าไม่เรียบพูกเขาดงไนเรียบปลาไมเรียบญี่ปนไหนใครบ้างนี่ยในร่องพู้จักรวกักลับเลยผมอยู่ในปัญหาวิชิตยาเด็ดูแลหมูหมอ ใครที่ราศีหาออมานอนเน่ยมานอนร่วมกันแล้วเวยมื่ขึ้นโรคโมยดังแปลว่าหมอกะที่ตายก่อนแล้วมานอนนอนอยู่ตอนโรงพยาบาลท่านอยู่กุฏิไปฉีดยาไปอยู่แน่ อันนี้การทายขึ้นหูต huh> ิดดอกซีน่าเองหางไม่ติดดอกซีน่าแล้วอีกเด้อมันก่าจานอยู่ว่าจานปุยอยู่ระดีค hmm. ุรีคุร ok ีเนี่ยเป็นมักขับไปคีมากทีเดียวที่แร คุณนั่นกับเวียนปูในกบแปอุปแดงเชียหุ่นบริกรกลับแล้ว ท, ทัง้งเจ้หลวงปูต้มปวยกับม้าอย่างนี้ตลอดเลยคน <c oughs> อะไรก็จะยินครับกาบู้จะอินใช่ไหมครับกาบก็จะอินจะดีเท่าไหร่มากก็คืออะไรกันพวกมันอันนี้เป็นแผ่นดีครับดีดดีดดีดใช่ครับคือของจานเด่นครับหรือพินาเครดหรือครับอันนี้ของไม่ตี้แก้วครับ ที่เสีย<า> ง, งลำเออตอนนังสือเนื้อหาของของที่าก้านัน อ, อ, อีกเร่องนึองอะเ่นี้ก็ของจานเทศนะจานละจะยินละเขาเขาจะยินจะแง่ใจอล้วไปศึกษาแบบเทียบเทียงเนื้อหา พอคิด ก, กูบาอาจารย์แต่และองค์แต่ละองค์ท่านี้พอเช็ดยังไงพอเปียเทยียถ้าฟังเป็มันเป็นธรรมในหมดเลยนะจะเป็นแนวทางาการปฏิบัติด้นนวยให้ดูเสียงเทยียนการคำเทียนนั่นคือเทศยที่รงว่าอาจารย์เ อ, อ, องท่านมีลูกอะไรวานาน ชุดโตโ ต, โต่เตเียมตัวตายเยียต่ต่ต่ียมโดนตายเกี่ยตัวตายเกี่ยตม ต, ตายก่อนเียงก่อนตาย มันม่ไม่ใช่ว่า ต, ตัมตอตายตลยๆๆตอ ต, ตายก็ไู้ไม่ตกมามาหลังค้าสี่ดีนี่เรื่องที่เอาอยู่เขาใหญ่กว่าไปเอามาฟังแล้วยืดมันแล้วกันกลางมลสวดมุนวันจะอยู่บ้าง ก็มีไปเยะเขาใหญ่ไปอยู่ร่อเราไม่้กี่แผ่นกันี่จะทนไ้หยเขาใหญ่เขาใหญ่จะับอัดเคื่อนไได้ไหมหรมันลงมาจากเอวปวาแตกก็ไม่ไม่ดีวตาก็ยลงตาแต่ก็ออัดไว้อัดไว้เพื่อเยืดลงตาไวเยี่ยมแต่ถ้าแข็งแรงแล้วไปเขาใหญ่จะเริ่มทำอยู่เรื่ออ วั <c oughs> นนั้นที่หลงตามาไปอยู่แต่ก็ไม่มีคนะ่ะดูแต่บทดแ่แผ่นตัแผ่นเฉือยมดเลยมก็มเป็นบางช่วงเขาวานยมันเลยมันก็อาดด้วยปบะธนคนไายร้า บางคนเขาไปเพื่อมเพื่อพืนนนั่นแหเะเลยก้าอันเอันน่นนะแปล่เดียวด้วยเห็นนงูนัอนแต่บาคนจะไปไล่ต่อไี้นั่านั้นนคนทเป็นแบบนั่นนะหลยแผ่นเดียวแต่ว่าไปไล่แจกเอามาหลายแผ่นแต่เปิดทุกวันนีลมันเีย ยางเทือก็เปิดใหเสียงในต่อทรรมวัดในองเทื อ, อต่างๆเนี่ยเสียงสวดชัยแล้วมันเั็งขั้นยัของเรามั น, นวันเราสวดคงจะเอานนั้นมามาต่เลละเออนั่นแหละสวดชัยยะเนี่ยมันเราถึงเทือก่อนเนี่ยหลวงปู่ฟันหลวงปู่ขาวท่าคงแพนท่นานใช้อยู่ แล้วก็เลยเอาสันลักษณจากโบราณนะั่นแะ่นะเจยโอพิดเจยโอพิดันวังส่วนนี <laughs> <laughs> <laughs> ้ไ <laughs> ม่เอาเจยโอปิดเ เออเจียมๆน้ำมนต์เนี่ยสวยมั้ท่านใดโค้งผูเลยน้ำมนต์ผู้มาเปิดเลยน้ำมนต์ไม่ก็คือชั้นเรีงนะอาจารย์บทจังหวะวรรตอนมันทั้นเงียงนะเอาจะเอาออกจากกุบอาจารย์ก็มาถามสมัยก่อนต้องปูข่าวต้องปูฟันกันใช้เสก่อนนะถ้าชวนชั้นเรียงว่าจะยกไว้จะเลื่อนที่เรืองไตอันนี้เรารักษาปฏิบัติชั้นเรียงกุบอาจารย์อย่นน วันต่จะเปิดประจำอื ม, อ ม, มคิดวารักไม่ใร่จิตเขาทันยุติโยภาพทำเสร็จแล้ว <c oughs> มันนี้เร <c oughs> ินองของชิ้นนุ้ยอะเริน <c oughs> ของไอ้นันมันเข้าของไอ้พวกจุมชนนู่นอะไรเนี่ยมีแต่แพงนะน่่ข้าจุเก้าจุดเจ็ห้าไปไปถึงเลยับ เปิดไปด้ฟังได้หน่อยนะเดี๋ยวแทรกนะแต่เลยต้องไผ่ได้ตดึกๆครับต้งฟังไปเปิดไปเปิดไยีสบทีัดเีเครื่องมันไหมหมดไปสามพัห้านจะไมกองไว้เขาองไม่เา้าหมยงันดันเสียหดตายเลยหมนเยหนตกช่วงนี้เสียมามย่อสามันห้อหมุก็ทีขอเชียร์ครับมาบปจําอยู่ เขเรื่อนก็จะแตกไหมเสียหลายตัวเดี๋ยวนี้ยังหนาวอยู่ไหมครับก็หนาวยังไม่ช่วยทำอีกสารนู<ด>่นหรอกแล้วยอย่างาาเอ่ออย่างโรงต่ำก็ 12-13 องศาก็ไม่ได้ติดต่อกันหลายวันได้หรือ2วัน3วันจนจนมากก็ สิบนี่ละยงนี้ตัวอากาศอากาศดีอยู่เขาเนี่ยโรงัานไฟฟ้ากาญชันไหมข้างขึ้นนึง่ ร่ดีนะรมดีรากาศังวมันเบานอนสองสามชั่วโมงอิ่มเอ่ังหัดอครับาใหญ่เอออยู่ไอ้เออมันจะอยู่ในเขตขึ้นาาดนี่แหละขึ้นเขาาดนขึ้นเขาลาเนี่ยช่องเขาใหญ่นั่นมันมีเขาใหญ่ไหนอ๋อเขาใหญ่นี่ช่องเยนากงอาจารย์ขึ้นไป สูงกว่าของอาจารย์ไม่หมว่าจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะพอกันอยพ่กันาก็พอกันคนละมองมันก็กคนละมองเจอทีเนี้ยพูดถึงลมเนียอาจารย์ไม่สิดพานได้ดีกว่าลมแห่งกว่าลม่ล ง, งมมกว่าแต่ไม่ลมลมเยงใบใบขวมันี่ดอใบน่เสียยมันก็มีที่เขลมมันขึ้นไปเจอช้างนะ้างป่าวันที่ พันทีเท่าไรนะไปงานจากยั น, นเมื่อันธีเท่าไรที่ผ่านมาสองสามยสองยี่สามนะย่สองยี่สามต้องไปคําเดียวแล้วเดนยังไม่ได้ทงสล า, าดอกไม่ไดาา้สลาไปไปสั่นหนึ่งหรอมั้งสองสัง่นโอ้กีมันเสมอกันเสมอันไรตัด ตัดทั้งจากบินตั้มเน้าใม้มันสูงมากเลยเป็นสันตัวในสองสันผัดข้างล่างไลยนะที่มันห่เสมอตัเป็นยกสซล่าอย่างเงี้ยเงี้ไ่ได้ไปเยอะไปแต่จากกราคนมาด้วยูราไปแต่ตัวขุดขุที่ไอ้ที่ไม่พอมาเฮ็ดยิงบอลไม้ได้ไหวสํานักบอลไม้ได้เลยตองส่องเขามาท่ามั้งทัทุนเอ่ท้ง สายเราไปสายเพบุรีสาตรงเลยเนี่ยตอน้ทานปียวไปยูดีบะเออทางปยยูนี่แหละข้างสายสายเนี่ยสับสนุนเออสนับนุนเนี่ยาั้นมันจมันจองเขาหุบเขาล่มเลยเถ่ายนขึ้นมาเนี่ยเจ้ามาดเยยืนข้าไปยูไปเลยโอ้ลมดีที่รอร่องแห้งเคใบกล้วยนี่ไม่ออกไปล่องล่มเลยร่องล่ม มันเป็นข้าวไปมันล่มมันล่นข้าไปแลไรวะมีผูวมีคนแข็งัวต้องแข็งอย่างนีและวนเพข้าวไฟมันเคาได้ทั้งเดียวออกได้ทังเดียวนะขไปแล้ววกเขาเนี่เป็นก็แค่รอบถึงกัแฝงไปอาจจะกงทีลายไปเลยขาว่ลายไองของก็ลายอยู่มันเป็นในหกข้าไปเป็นตัวย่อข้าวไปแต่ไ้ของทีัวในพ่อถวาย ก็เทวายองเอนถวเวายรคุนั <abi niet sig na> é, ้นเราไจับนึงเออเยด่ไปได้เอได้ทด้งรนั้นจะอแล้วออนว่อนผมสครั้งก็จะเอาไปถึงตุลีรันคย็น่ข่าวในบริบทหนวนั่นนะเราอยู่ใกล้ๆก็ไอ้ันไอ้จนนเออจนนาเบไกลกันมือเราะนนั้นแท่เ กันแล้วกย้มยบอก่าเดี๋ยวเขาปลูกมันดาปลูกอ้ยปลูกยางกนจลให้เงินแคบเข้าไปให้เาออกกอไปโอตคร้ชุดหนึ่งเลยนี้ก็เ้อกื้อเาให้เขาออกให้เาออกไปเจือหลบหลบได้แค่สองหมื่นเท่านั้น ในละหมื ừ, hey, honestly, the the ouais. ่นละหมื่นมันก็ได้เห็บนผักบนเต้าน้าเหมอนจอบัดาดหน้ามาดานได้เกษตรกรทำมาดานจอบทุกปีเลยจอบนี่นอนมาดานะาลูมิเลยทีเป็นเห็ดเนสาเป็นกระีานกก็อย่างน้ให้ได้ คนกรุงเทพไปไกลเหรอปะใกรเป็นไหนชาวบ้านนะครับเขามาจากไหนไมาบุกไปันเลยสลาบุรีมาบุกก็ไ้เฮ้เ้านั่นไม่เคยสลับุรีป่เนาะเคยสลับบุรีเลยเจ้านั่นเคยสลับุรีเขาเขาไปข่อไบ้าบ่เคขึ้นโคราชบ่เจ้านั่นเขาสลับุรีสลับุรีเขาใสยเพื่ว่าม้วนเขามาผมขอ ของอาจันนะตน่ก็สลบุรีก็แปลพวกเขาจะทำมือไกเนี่ยไอ้ ข, ของอาจย์เ อ, อ, อ่รอหมลหลังเขาหน้าไปฟุกคือพยเขาอองอาจรอไปเออแงจะรอเนีไหลยุจะจะ่งจะกอดทามันกันบพว ก, กแห้งเนาะแต่มันไหลบกขาดเขาหินนึกเจ้าหนึ ง, นขงเขาหินนี่เดีวยวว่าเขาทามันบ่มีันเขาดินเนี่ยแท้แ แต่้าเพชรชบุญเขาดินหลายเลยนี่เขาห็นมองนั่นเป็นหได้เห็นนั่นหันเป็นนไปผูกเได้นะการขาเน่ยน้ำพระมันนบขอ้ไปูเป็นอ่างเลยว้่างเป็นอ่างร้ไปผูกโ้นก็นี่แล้วว่าแถวๆนั้นเลยเป็นบรยูของมดานนี่ะหลกระดกขอนีแฉมีเครื่องแ่ของมดานแจ้มันตอาปีก็เพราะว่าเป็นเป็นสถานที่อู่เข้าจักวนั่นแหละ ขอ า, า, <ม>าปลากระบอยคดีไงมันมันมันมันปานลาธรรมชาติมมือนสนเขาปลูกต้นกระถินต้นอันนี้ ป, นประเทนหมด้ละ้ะต้นกระเรต้นกระถินปลาธรรมชาติแ ท, ทจะม่เหลือป้อนผมอยู่มันมันเป็นย่างเลรือเ่าปลาธรรมชาติ เ, เขางกุ ไปวิจารณ์อยู่นี่แค่ยูอาวันนั้บ่ได้แถวไปดนี่าแจะนันเยอกภูเขาอีกฟังนึงยังเป็นปลาธรรมาขับเป็นแบนพักไปเจะมจะับหาที่พักเพหน้าก็ไป เอ็ครับนเนไอา้งมาวปยนอึ่างเา ใช้ามใช้ควันมาไมาได้หมดเลยกระทำว่ามากแล้วกับเมื่อแล้วกับมากมาไม่ดีอ๋อด้วยคกันว่าหักขนาดเลยอ้าวท่านไหนไม่บอกไม่ได้โทษมากสิขอบคุณขอบผมขอบผมลองหน้าผมไม่ก็ออกอินเตอร์เน็ตไปแล้วตอนเท่า เขาวิพากวิจารโอ้บอไม่เท่ากันตายปัจจัยเขาอยู่กับนี่บอกพ่อที่นทั้งหมดนลยบอล้วก็ไม่ต้อนก็เด็กไม่ต่อยเขาอย่างแรงกว่ามากนวัดแล้วแรงพอพอใวัดเป็นมือหนักเย่งโธ่มากบอกไอ้ท่านรับฟังจากพระท่านนี่ชื่อฟังเขาฟังผมแล้วพี่ขวมรูสุดเลยนะเป็นตั้งนี้หรือว่าแล้วเป็นอะ นะที่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมันตกใจเลยอ คือหลคงพิทหลวาหลวงตาเนว่ยนี่เเป็นปอยตาข้นหลวงตาและลักษณะนั้นเนี่ยนะทอดสายทอดใหญ่ไอ้แแนี่เขาบอกฝอใส่ใจก่แบบที่ไม่รู้จักเป็นแบบนี้งันทักเปน้นเขาบอเ้ยเขาเข้ามอยู่สนอเขาผมไปั่งทักเนาะไปยิ้่เนาระเออไปเอาไอ้ีท่าอัดไว้มาฟังเนี่ยนะไังผอกัน่เ่าเมื่อหนอไม่นาโท่มาบอกเล่น้อยดิ เอาบริษัทก็่มากไอ้เยอรมันก็โธ่มกโอ้โหตั้ดียวมัไม่หอด้วยมันเดาเทียวนมือดีมือดีสีไล่ลั่งแน่ผมันต์ไงผมเริสันต์เขาบอกอยู่แต่แต่เศ้าเลยว่าลุ้ตาฝาละขันเลยมันนี่แหละมันจะซื้อทางพิษใกล้ๆามันจะทำไรระบบ ถ่ายทอดอาใจซื้อเป็นอาวุธแบบนี้มันท่านสามควเสเสียมันไถแล้วออกไปบอเกได้กัมีเลยพวกคาาทรัพย์อได้หลายอยู่กได้วไเง้ยอ่นี่นะเอาออกไปซื้อเอาออกซื้อเดวอกไปเชิดตะยเททัได้เออกไปได้แตอยู่จักมากากไเันเละว่าีนี่ตัวนี่เขานัหมอเียวพี่อเขาออกไปมัดเงี้ยม โอ้ยช <link video> ัวไปเลยลโอ้ยมึงเจหาไปเลยบ่ผมมึงอยู่นอ้ําเทศงานอยู่จ่ายมุนน่ะมันมันถึงเวลาแล้วเขาบอว่าผมฟังลูกตามันไปเร็วสิเอามาประเดีายแเทศกับผมมาเทศระเทศมาเทศสิไม่ไดมาแส่ผมบอกเนี่ยขงฟังเขาอยู่จนหลอดเนี่กันเป็นยงไงทั้งมันตาจนถึงผมผมก็ต้องหัวใจกว่า อันนี้ได้ข้าวมาเสดน้องปูได้ข้าว่าเสดเอาขาว่าเขาฟังวิทยุโบาันนี้พอได้ข้าวยังอะมาเลยทั้งนีได้มากเลยพวกนี้พวกนี้เป็นรถโบคเป็นรนดําเจ็บสงสัยได้ข้าวแหละไม่ได้ข้าวในอุโดนโผล่เป็นในคนส่งข้าวไปในอุดนนี่เขาไปห้องไปไห้ไลงในบ้านกันหลาย กวนะาย่ายายทนบุรีรัมมาไปเบิรนคนบาว่าไห้ยันโอ้นอเราเนอายุเปนกระรแล้วเว้ยแต่คุยความเคลื่นก็ดีคยเรือใจในมากเนี่าเขามาได้ว่าโอ้ยผู้ใจง่ายกว่าีเบียีงานแม่ผมว่าเข้าทิ้งเบียยทิ้งานไปนี้บเออเดี๋ยวมือฉันเข้าหอกพอตอนเศร้าออกกำลังทีหน้าาแต่ยัง อยางไปหมท่านหอดเรื่อเลยเออเออตนนคมโทษไปผ้จันแอยู่ในห้องหลวงตาเป็นเป็นอ่อนงหลายเจอจัดต่อมาเเออเดี๋ยวมกินข้าวทุกตอนยังอยไตอยู่หรเื่องวานนั้นนี่พอเข้าเนี่ยรัฐนักโทาไปไม้จออมาบอกไ่อยเามินข้าวยเป็นไงอีกหรอไม่ได้ตแบแค่คนเป็นอะักอท่านนั่นแหละบอกเขาอ่อนลงห้ายมา ไออสภาพก็เป็นจริงนะแต่ว่าออนนหลาย่าี่ไผเลยลเียวกันเสียเราเป็นโหาแค่น้อยนะว่านุตาละขันลไงละไหนเาคุยกับมูหน้าเดวนีแหละแต่ว่ามันแต่ว่าต้องคงจะอาการหนักเจอเดี๋ยวไหอกแล้วก็กิงบอกนไกี เขาออกไปได้ยังไงนะพปดูกัยังอย่ธรรดดาันโยนในโอกาสตัวรถทั่วรตัวครน่องนตหนแกดเลยบนมี่เลยเขาเลยจองจนด้วยเลยใช่ไหมรอบจองมากแน่นอนรถติดเรือยเร่อมาเลย มันกมันมีมัน่ได้ทีมันจบอกมเออไได้าโทรศัพท์เนี่ยรตดขัดเกินไปแนี้ม่ดีเราแนี้ไม่ดีเพรว่าเขาไม่ได้ถึงว่องตรงเนี้ยมันเป็นเป็นบาปเป็นกรรมเรื่องหลอกเรื่องนั้นะเขาว่าขอให้มีรายได้กับพอมันก็ดเกินไปมันจะจนถึงไหนนะก็ว่าคนเขาได้ฟังเขาว่าเนี่ก็ได้ฟังเขาว่าช่นั้นเดี๋ยวไปทำโรงทานแล้ปากเองลม ยังทิ้งลงพาร์ทา่นี่ก็พี่ว่ า, าที่พ า, า, าร์ท จ, จรันท่า้อข้าวันเนที่บ้านเลยว่าอาการย์ พอว่าวอยู่รอคุณหอต่าว่อาการน้ำตาก่อนนักเกไปเพราะเชื่อมันเชื่อมันมันน่าวมนถึงปรื่อยาที่ใสมันก็บวมบยู่แต่นยาตรงไมนี่ใช้ยาตรงไมถ้าถ้ายาทอไมยู่นะมันครนี้ก็เสเลือดเออขยายออกไปเลหมองบอง้างสามารถเึมหยานอันนี้แหละมันไอตู้นี้แหละม่ใเอาออกไปวดละัน หมอกะว่าบนั้นแต่ว่าเชื่อแต่วาา่าป่าได้บูมมันนั้นท่งน ม, มันงานหมอหมอจีงหมอหมอหลวงระเทีทยงเลยวัอีกใส่กูเรียกวา่าไหนดีก็ใส่ไม่โดนแ้วก็ใส่ ถ, ถด้เลหมอจีงเขาก็ได้ท่านมันใช้จนุนหุนหมอไทยก็ได้พวกเข้าไปจนุนหุ้นตอนนี้ กูจัดด้วยเนวะนังหมอจีนเป็นแม่เป็นแม่เป็นว่าหลงตานี่โบมีเชื่อหรอกโบมี่หลงยังแล้วเป็นขับเป็นปอมเป็แล้วโบมีหอย่างเลยหลงลูกตาเศร้าเป็นแล้วทําเป็นแล้วนี่เป็นแม่เป็นว่าเนี่ยนั่นตอนนี้หมอหมอหลวงเอ็กซเร่ขึ้นขึ้นออกมาหนี่ปอนนี่เชื่อร่างหน้านี่ตอนนี้เขาจะเชื่อไร แล้วผลเลือดเนี่ยมันขึ้นสูงนะนี่เป็นดเลือดมันขึ้นสูงนี่เชื่อมถึง น, นหน้าอกเอ อ, เ อ, อไอ้หมอหมอหลวงนี่มันมีฟีนฉลาด้รือมีผลเลือดแล้วหมอมาชี้เนี่ยเขาจะเสียใจเนี่ยเครื่องจีนก็ะเอาแต่ตัวอย่างทให้เห็นบางได้เออถ่ายภาพบางบงได้แล้วมันจิงชัดก็อด้คนเรากวัด ต้องบอั้งปัจจุบันเนี่ยคอเชคนเขาเขาว่าลุตาวเป็นถึงยาจีนขิกขิกิมากตก่อนเลยวพาะจะกระตังบอกต้องหมอจีนต้องไปหมอจีน เราเขาเขาเรือดไปให้เพิ่นยาม้อเกียนยาหม้อหม้อนั่นกับเจ้าก็โรคอย่างสิบคนหายแต่ก่อนน่โรคอย่างเจ้าบางอย่างที่ล่าไส่กัน่กันหม้อนึงมันก็คนในเรื่องแลยนมันวนล่าไสเมันเอปอดเออไม่คิดเชื่อมันเป็นับปอนผู้ดมมันมันคนเน้ยนล่ผู้ใดีไอ้เชื่อมันเออมันเยอะกันกันขังจับเย่็แกล้งไล ดงนั้น <watering> ่ย <departure> ผู้เคยทางานเรื่องนี้อีกเรื่องนึงคืมาบอกะเน่รื่องหมอใหม่เฉพาะเจะคหมอจิตนนี่เขาบดี่องหมยเป็นหมอจิตวดีเรืงหมอนึนเกินไโอคแต่มันใช่มากแบกแต่มนใช่ก็ได้แต่ันใช่กรน๊พอเสียงพอเสียงทงนี้หลายกลวเทา้งนี้หลายกลัวละทู่เสียงน้อย เขาบอกแอบให้แอให้ยากันแล้วพอจารสนองเป็นคนดูแลเลยแ อ, ยแแ อ, ยแอบออให้ออกันนะน้องบอ้ยตวาผู้จัตัวการหนักมากมมลานนแล้วทุกหมอโงพยาบานี่แหละทุกอันแค่ไหนเป็นหมอรุ่มหมอโรงไยาบาลนี่คงจะแท้ตายเลยมีระฆังดุดเอดอย่างนี้งยาบานันจะฟยิงกากเลเนี้ย แล้วเป็นประโยชน์แล้วก็เพว่าดอกนี้มาทะเลาะกันนี่นะ <c oughs> มันเสียหายหมเนี่ย <c oughs> มันพูดเขา่รู้เรือาเป็นประโยชน์แล้วพระว่าดอกัอ น, นี้มั น, <c oughs> มนตกใจมดละต่างกล่มเื่องเสียห้ยผูบัญาจารเนี่ยเพิ่นบอกผมก็เห็น น, น, หน้ำเพิ่นน <c oughs> น้ำพวกน่มไปฮามหน้ากันแล้วหาที่พวหน้าไกาเส้นกันงี้ยสมบูรณ์ไ้คมนา คพงเอ้ยกลับบ้านไปเห็นบ้า น, น, น, นต็แรงเนีตางนาถอเสาบ้านอยูบดดื่มแล้วนเปท่านเลยผ่านรถไฟบระจุพรนี่นพรผ่านมาีนก่อนนนหรเล่าต่งงาาต่า ง, งาตาเขียวใสแจนเป็นท่านจาาะจรู้เ่ล่าเสาก็ไปอยู่ป่าห้องไทย มันมีรถมาเองนี่มัรถจอดไว้โดนเฉยภูมิแล้วรถเรามากินข้าวอยูน่นงกันในข้าวอ่ะเราจะมานี่ขึ้นรถตู้เราเต็มเลยรถตู้มา เ, เามาแต่พระองค์เนี้ยเ <c oughs> ปพวกรักษาชิ้นอย่างเงยขึ้นรถเต็มบริเวณที่นั่ง ไนี่ออกทางนี้ก็ได้เยี่นีนี่ๆออกนี่ฮะยันด้านหลังแล้วออกทางปนีข้างเดินนี่พอองน้ำนี่ของน้ำนี่นี่นี่ออกของน้ำไเดินออกที่นั้นข้างปตัวน้ถึงเลยข้างทางนคมเลยนี่ทางนี้นองน้ำนี่องน้นี่ออกไปล้ก็แจ้งเลย มันีงนาาน่งไปงองก็้าบอกนะเาไฟอช่องห้องน้เคยเอาอาหารนะเออเนี่ยอได้เลยชอนีช่องนี้ะเคยเอาอาหารมกินเาักเวมีงานงานรถเ็อยู่บอกนะจัง บกับลายแล้วบอกว่าไอว่าหลอกตลาดเป็นบ่มีระบบจอดรถเด่นบ้าตามเสียงหลังรื่อใคได้ข่าวกันมาตาเป็นจริงนะโอ้โหแล้วพี่บอสมีมองเสียงยิงว่างั้นเลยดีกว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมีอ้วกนงงนน่ะทุกอย่างลังมาทั้งตัวประเทศ งานมันที่ที่เบ็ดติดสนจ่หรือเปล่าจ่ายนะครับจ่ายตามปกติแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นเสียก็ไม่แน่พูดมาไงเรื่องบํเพ็ญธรรไม่ดีรานั่นก็ไม่รู้ว่าต้นอยู่กับเราทำานกี่วัน ก็วพึ่งพั่งจะพึจะรับลูกอยู่นี่แัละเป็นอย่างๆพึ็งรับลูกอยู่ ทตั้งหมดเลยก็มากคือผมบอกนี่ก็คาดว่ามากต้งนี้เอ่อจัมเด็กคนไปแล้วขนาดนั้นนะคร<อ>ับค <c oughs> ือว่าคุจันท์ว่ามัน3เกืย่ย่งสามเ่กือาไปดีย<ช>ิน<ช>ร า, าก็เป็นหล่อมืมากา <c oughs> เลยขาไปหาไอ้ทีเขาอัดไว้บอกว่าเอามาคนตั้งนะคุณโว่คุจันทร์ว่อตรงไหน อนถึงมาปฏิบัติท่าที่ยวเมืองข้าอยู่หวงปู่มันเพิ่จะบอกเส้นไหนกับผาเน่นเจีบไข่ได้ล้วยอว่างปู่มันจำเขาบอกข้างบนนั่นละหลวงตาห่อนน่ะเออผู้ใดเจี๊ยไข่เจียบไขได้กล้วยเสียงค้างแห้งๆนะเพะต้องเอายาเออแต่ค้างแข้งๆนะบังทีเพรค้างนั่นละอันอันนี้ล่ะคนพูดถึงว่า แนวทางปฏิบัติควรจะเอากำลังของสมาธิเอากาลังของความตังใจหรือระงับไว้เนี่ปฏิบัติทาเพื่อจะบอกเรือสอนเร่องนนอกจากนี้ยังอ่ะหลวงปู่บุญจันทร์ในบรญดาบ้านเนี่ยพ้นมาไปเยี่ยมแต่หลวงปู่บญจันทร์ก็พักรักษาตอยู่ในอยู่วัดในโบทหน้าเหมือนกันกเห็นแล้วก็ห้วยกรรมทนยังอีกรุ่งตุงนั่งหลวงปู่เพียนอันน้ยังกับรุงตงนั่ง นรักษาปฏิปะทาไอาเจ้าเนี่ทนทนยท่านล้มตายนั่นก็สั่งของของท่านเสร็แล้วทํานไม่ต้องการให้เอายืมมาใส่ท่านหรือว่าท่านเคยได้ยินท่านเรียกมหมพวกเราอ่ะเวลาท่านไม่สบายหายใจยากเอาเครื่องช่วยหายใจมาเราอย่างนี้ท่านเคยเรีย ก, กเราไหมผ <c> ม <oughs> เบอกมิสอร์บอกอกออนออันมิสเตอร์พงษ์น<ด>ิยมบอกนั่นนั่นเ <มา S 1> นี่ยในหน้าที่ของหมอเนี่นะเรื่องของโรคกันนั่นนะ ในเรื่องเขาปฏิบัติเลยคุณป้าอาจารย์ท่านไม่ได้ต้องการเลยแล้วทำไมไม่ทําตามท่านออ้ว <Yeah>. oh. ถ้าถ้าอย่างนี้อ่ะถล่มแล้วก็คือรู้ว่าถ้าเผื่อท่านต้องการอย่างนี้อะ <Yeah. S 2> คือท่านมองเห็นแล้วว่ามันจะไม่ไหวทําไม่ไหวเลยถ้าเรายังฝืดฝืนคำบอกน่านอยู่จะเป็นการเรื่องอะไรทรมานท่านหรือเปล่าอ่อ พระท่านังจ้งการนะาเปิดเนแบบนี้เป็นการตำนท่านหรือเปล่าไม่วาลักษณะนี่เนี้ยเขาจายจะพ่อจะย่มก็เขจายเนีเป็นเรื่องของโลกอาหมอเนยจนพจนยุดหาใจหมดกันเรื่องของโลกกันนั่นนะยังไงก็เลยไปนี่เออไงว่าปนไปตเดียเขาจะยุ่งอยู่ได เขาโยม่ไอ้เดี่ยวเจอะเดี่ยวเจอะเดียวล้ยงเดี่ยวบอกเลยเอาแล้วก็นี้ทางออกที่เย็นไอ้ยาเนี่ยกระถามเพลินตอนถามเพื่อนาถามเพื่อนจะวายเพืนอนใช่ไหมมันจะเฉยโอยอันนี้ว่ามอันจะถามต่างหลายคนก็ว่าจะดูแกเนี่ยแลกันก็ไหมอเขาไปคาบเี่ยมเพลินทุกๆะชุ่มยาแล้วมันได้มดผู้จยนไปกระชุ่มผู้จย์ออไปทุกคนเล้สไประชุมกันต ตอนนี้พอเขาชุ่มแล้วเดี๋ยวบอกไข่ต้องมีไท่เรอยเพราะว่าเชื่อมติด เ, เชื่อไ<อ>ข่เงาบ่ให้ยาเนี่ยเชื่อมันล่ามไปเนียมันยาวอยู่ยามาันยาวอยู่เอ้เอาต้องลงไปนี่เอ้าหมอไปขาบเลี่ยงเพิ่น<อ>หมอไปาเัเรื่องเพิ่นเขาขอถวายยาป็นอนเฉยห <c oughs> มอแล้วหมอติงเรื่อยเหรอวะต้องเฉเอ้าก็เลยเศ้าไปถ้าสบายหมอโอ้โหมันบ่ได้ทำชาบ่ได้ดินชาดินยาเอ้าหมอเขาไปขาเลี่องเพินอี หมอเขาเป็นการเรียเนเพื่อการเรียนมึนฟังเนี่ยระกาเรียนแบบถ <laughs> ่านลับด้วยจนเรื่องพอได้ให้จนเร่องพอตอนแรกมาเอาเหตุแม่แบบหมอก็าเขาคุณเขาไหวเขาชืออยากจะไห้พราะยางเชื่อมันไปไปมาติเขางมันอยู่จนเรืองเอาแบบนี้แล้วแต่หมอมืออื่นหลูกสาวขึ้นมาป้ายญิงมาเห็นป้าหญิงขอ<ม>กนเรื่องของลงกับตอนเศ้าป้าหญิงไมกขอพอตอนเศ้าป้าหญิงก็เข้าไปท่านพ่อ จะขอลูกอยากจะขอถวายโสดท่านพ่อเป็นกตัญญูนบเลยมันนี้ก็เลยพระุยืนนั่งอยู่ทุนกระหม่อมพูดจัดท่านตรงๆเลยถึงก็บเลยว่าท่านพ่อในขณะนี้เนี่ยท่านท่านพ่อเนี่ยเสียความรู้สึก่อนเพลียมากก็ขาดเลือดผิวทัานมอดเนี่ยเหลืองจะขอถวายเลือดท่านพ่อเลือดขาวเลือดพระลูกพระหลานของท่านพ่อเนี่แหละ จะขอถวายเลืออท่านพ่อเพื่อท่านพ่อดีกําลังขึ้น<ม>ะเรียกน่ะ <t> ตอนนี้เนี่ยเราหมอห ม, ออมาเอาเลือดมาเอาเลือดมาเปลนี่ก<ม>็แล้วเอาเลือดเอาไปให้พอเขาไปหาแล้วเปล่เพ่งมาว่าอีก<ม>ท่านพ่อตอนนี้ท่านพ่อเละ่ต่อท่านพ่อแลี่ยติดเชื้อท่านพ่อจะรู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันกระวนกระวาย<ม>แล้วเชื่อมันจะกระจายไปก็อยากจะให้หมอเนี่ย อธิบายให้ท่านพ่ อ, อมเพื่อจะถวายยาท่านพ่ออืเป็นระเบิเนนะหมอเขาขอแม่ดิปิมมาเลยอืลุงตาฟีนี้ถ่ายเมื่อสามวันก่อนอเนี่ยเชื้อมันลามเข้ามาที่ปอดเนี่ยมัน ม, มันลามเข้ามาส่วนนี้แล้วฟินี้ถ่ายเมื่อเช้านี้เนี่ยมันลามเข้ามาไปนี้เชื้อมันกระจายมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากไม่ให้ยาไม่ให้ยาไม่ถวายยาลุงตาเนี่ยหลุงตาจะรู้สึกกวนกวายข้างในรั้อ่อนเพีย แต่ถ้าขวายยาหลงตาเนี่ยเชื่อนี่ยมันจะลดลงหลงตาจะรู้สึกสบายขึ้นพอถวายยาหลงตาไม่ลงมาเอาให้ยาละมาวคือเรื่อทุกอย่างจะกลับเรียบคุนตาเป็นแล้วก็แต่ตอนนี้ว่าเป็นอาจจะตาฝักชว่าที่หลังเนี่ยก็ว่ามองที่ว่าว่ากันดูคุณทิรุปรีเขาสรงมันไอไอ้ก อ้เจ้าฝาหญิงขอได้เน้องนันขอจั้สองสามคนมาได้จ่าาหญิงขอละบุนก็กระติงแล้วก็อติงค้ายบ้่งมาได้ฝ่าาหญิงว่าบุนรับนะเอ้ยอยู่สิวันตาสี่ล้ว อ๋ยุดกุดท้องออกดิยุดกุด้องออกดิยุดขาดกระแพงขัูนเอง็นนกระงนนจริง่งนปูนี่ดินี่จะพยิงว่ามันรับแล้วมันจริงทายเลยมาลัลอมมาเลยนะโอเขามากบอไปเ่าประตูบอกบอกเข่าปตูวัดเออเรียกไส้มาเลยเรียกไส้มาเลยอ้ยเลยผานขัดข่านสลามากันแล้วถนนติดล็อกกระแพงมาเลย แล้วก็มาเรียกใส่เออลอกกับแท่เออลอกกัแท่มาเลยลอกกัแท่มากจนมาเห็นเห็นประตูเห็นประตูยูประตูยูขงขังใต้นะประตูขังใต้เป็นประตูประตูเข้าไปต่อเออที่บุปุรีมาเลยเลยน้อยนเลยอยมางนี้แหละแล้วลงมากเลยลงมากอ่มเลยกำลังที่สองเออลอกกแท่มาเลย คนเดี่ยนีโอ้ยเขาทั้งเขาเบิรจังตั่งนี่มือตั้งเดี่มือตั้งเดี่ยวคุยร่องไปานสารีตาคุยจกำลังเ้ายอยู่ออกมาภเา่าอาจารย์มาเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ดิจันเมื่อได้เลยยิ่งคุยทำไมครับท่านอาจารย์้องตาเป็นเดี๋ยวนี้แล้วทาไมลูกศิษย์ลูกหาลูกตาทำไมไม่สามัคคีกันเลย เอ้าท่านท่านพูดภาษามองนี่ไงพวกมีสามอาชีกันอะถ้ามองมอว่ามันก็ไม่เหยียาอะไรนะมันมันแน่นอนแล้วด้วยกรรมการมันเยอะทั้งทั้งทั้งหมอเพราะต้องฟังเห็นจะให้ตรงกันเป็นเป็นไม่ได้แล้วขนาดผู้ดภาษาตัดสินคดีห้าหกคนฟังถึงไม่ตรงกันเลยแต่เราก็ต้องเอาเสียงข้างมากอันนี้มันการเพื่อเมื่อจะให้ยาอะไรหลวงตาเนี่ยก็มาตัาเข้าที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าฝังไหนเยอะเราก็เอาฝังนะเราะนับฝังนั้น โอ้โอ้ระแใจโอยวัเดบอกบอกเท่าท่นงมีงาลงไปาสิมาสากเทียงกันเนี่ยเยองายครับพนีว่าไม่ดลงกันได้แต่ตอนนี้เนี่ยคือมันเ่ามนจุอยู่ในที่กระชุออกากรทีั้งอิสรมองไปที่ะะเห็นมันไปทั่วโลกเออโพลมาเรยกคนยไอนันเใจกระจบ กัดคนนั Whoa, şey ok e circuits, ้นพ er ีว ok hmm. ng ่าด่านเงหมอหมอชัยวัฒน yeah. ok ์โทรไปหาเอกจำรัดจำรัดเองน้องสูงเอกจำรัดตวเดิมตนี่อยู่บัดเจากอนี่กันี่เนา่ยแจงทุกท่านเป็นที่ยันยินดานหรือเโทรไปบอกคน้บอกตอนไม่ออกเนน้องน้องชยวัฒบอกว่าเพื่อนหวังพี่แล้วไปด่าเปนกรนนั่นอะอย่างเี้ เป็นสิบเป็นบาทเป็นคำอะไนะหาด้กันมั้ยต้องบอกว่าโอ๊ยหนึ่งมันใถ่ออกไถ่ไถ่เขียนออกไถ่สิ่้ทุกจั่นบอกอะไรบอกชื่อได่หนิจะไปรู้จักหรือว่าออกไปแล้วก็จอบยันใส่จบในที่ดีทีนี่นะดีไปชุแล้วแบจะไปเหลือแล้วก็เหลือด้านนี้ดี้อกจ้ อันน eh, ี้่ากว่าสิเั้องกุญจห้เวใส่องได้าบาตงใช่เอเอามาเอกจสีนพราะฉะนแล้ว เดยวไปใส่ข้าวเลยเยอะสิอ้ยเ็นแล้วบ้าขมอยไรบ้าขมอะไรย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนี่เรต่องกิจการมันเย็นเย็นแล้วเย็นเย็นเลยกิจการเรื่องอะไรกันนะฮะเรื่องอะไรไถ่สิเอาไถ่ก็ไถ่ เดี๋ยส่มันก็ว่างตไปแล้ไปอันล่าก่อน่าไ่่สินที่ กำลังกำลังนะกลังักาก็เรียนนะครับแต่จะไม่่อะไรเรียน่และร็วโควมาตัวตัวดูหลักฐานทนั้นทั้งนีเรียนให้สะอาดไม่งงใช่ไหมมันให้คูมกระยโคึ้งตามตัวตัวหลานเก้าหักฐานมากระตักฐาเรีย ก่อนข้อแรกมาจุดบ้านกันก่อนนะครับเปลี่ยนตัวให้แล้วก็วิ่งไปข้างหน้าเนี่ยฮะเดี๋ยวจะไปดู